พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ดลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่14สิงหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าตามหาใจตัวเองให้เจอวันนี้ก็ได้ กระถินมาหนึ่งกองนะลูกหลานกระถินลงตานะพระพระเทลพัฒนิตธรรมโมแลนะ้วคงจะเป็นคุณพ่อหรือคุณใครเนะนายธีรชัยและก็ครอบครัวถวายหนึ่งหนงกองเจดีลงตาหลวงพ่อรับไมอันนะ้นแลช่วงนี้ลูกลูกหลานนะ ใครอยากจะทำบุญกับหลวงตาจะโอนเข้าบัญชีก็ได้บัญชีของหลวงตานธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนทหารอุดรธา น, นีเลขที่บัญชี721 2สองหนึ่งสสหนึ่งขีดกฐินสามัคคี แปดมื่นสี่พันกองกองละสามพันบาทไม่ถึงสามพันก็ได้นะเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาของเราเนะี่ะโอนเข้าบัญชีสมทบเพื่อสร้างพระเยดีย์ของหลวงตาเป็นสิริเป็นมงคลทั้งนั้นแนละวันนี้เป็นวันที่สิบสี่วันจันทร์ที่สิบสี่สิงหาคมพุทธศักราชสอง0ัน้าหกสิบ เป็นวันยุดชดเชยวันนี้ชดเชยวันแม่ชุดเชยวันที่12แล้วก็เมื่อวานคณะสงฆ์จังหวัดอุดรแล้วก็อำเภอใกล้เคียงแล้วก็มาจากอำเภอสว่างแดนดินมากราบคารวะตามประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษามาเมื่อวานตอนบ่ายสองโมง หลวงพ่อคิดว่ามันจะน้อยคิดว่าคนก็คงจะไม่มากนะแต่ที่ไหนได้เขาคนเป็นพันเนาะเป็นพันพระ ส, สงฆ์ก็มากเมื่อวานนะแต่ในศาลาข้างในจนไม่มีที่จะนั่งรถไม่มีที่จะจอดเราก็คิดว่าคนจะน้อยหลวงพ่อคิดว่าคนจะไม่มากถ้าเม่อกคิดว่าคนจะมากก็คงจะมาศาลานอกมาศาลาหลังนี่นะแต่เมื่อวานน่าจะมาศาลาหลังนี้นะ่ะ พอมันโคตรมากเมื่อวา น, นแต่มันก็ผ่านไปแล้วล่ะแต่กระแจกหนังสือเอ็มไม่ครบอีกต่างหากครูบาคาดการผิดนะครูบาคิดว่าประมาณทักสามสี่รอยที่ไหนได้คนมาเป็นพันกว่านพระเกือบเป็นร้อยเป็นร้อยกว่าเป็นพร ะ, น, ะนั่งเต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจะเป็นอย่างนี้ล่ะ ไม่ว่าปีไหนต่อปีไหนท่ า, าพระลูกน้องๆทั้งหลายที่มีไอ้ที่เห็นว่ากูบาอาจารย์แถวไหนมีอายุพรรษามากาตะเป็นที่เคารพ เ, เขาก็ท่านเหล่านั้นก่อนอไปตามวัดต่างๆไม่ใช่มาแต่วัดหลวงพ่อแห่งเดียวนะไปวัดต่างๆแล้วก็ในละแวกนี้มีวัดไหนบ้างเขาก็ไปกราบคารวะ ตามวัดนั้ น, น, นแต่ถึงยังไงก็ตามนะคณะทายาิโยมลูกหลานพระเนนทุกองค์พวกเราที่ได้มาศึกษาธรรมะในหลักของพระพุทธศาสน า, าที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานหลวงพ่อก็พูดว่าให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นนะลูกหลานนะเพระหลวงปู่มั่นท่านสอนอยังไงเรื่องจิตภาวนา เรื่องจิตภาวนาเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของพระกรรมฐานเพราะนั้นให้พวกลูกหลานทั้งหลายอยู่นัสถานที่ใดก่อนหลับนอนแล้วก่อนตื่นนอนมาตอนเช้าควรจะทำจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นสมาธิซะก่อนเพื่อให้จิตใจของเราไม่ปุ่งฟุง้งฟุ้งเฟอลืมเนื้อลืมตัว หลงไหลกับโลกวัตสงสารจนเกินไปเพราะว่าโลกโลกโลกวัตสงสารก็อย่างนั้นน่ะอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอย่างหลวงพ่อเนี่ยมองตนเองอยู่ตลอดไม่มองได้ยังไงอายุถึงปูดนี่แล้วอีกชักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนก็ถึงรถคันนี้คือว่าร่างกายตัวนี้ต้องถึงจุดจบของมันในหลวงพ่อได้คิดไว้อยู่ในใจ ลูกหลานทั้งหลายควรจะคิดเหมือนกันเพราะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ระลึลกถึงมรณะเมอวิชติเอกสักวันหนึ่งข้าพระเจ้าจะต้องตายถ้าคนคิดไว้ในใจอย่างนี้ถ้าหลงโลกหลงทางหรือว่าลืมหลงตัวเองก็ไม่ลืมหลงจนเกินไป พอะอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องถึงจุดจบเราควรจะเตรียมสเสบียงเดินทางควรจะประกอบคุณงามความดีอย่างไรนี่แนหะเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดทบทวนมอง ด, ดูตนเองโอปัญิโกมองตนเองอย่าไปมองแต่คนอื่นอย่าไปมองแต่เรื่องโลกวัตถุเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องชันเสริญของคนอื่นเรื่องลาบยศชันเสริญสุข มันมีอยู่ในโลกนี่แหละที่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะมีสุขมีลาบมียศมันก็เรื่องภายนอกมันเอาด้วยออกไปด้วยไม่ได้สักอย่างทิ้งทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะว่าขนาดร่างกายตัวเองยังทิ้ง ล, ลาบยศสนะเสริญสุขจะไม่ทิ้งเหรอเนี่ยแหละมันต้องทิ้งเพราะนั้น เราจะไปสะสแสวงหาอะไรมากมายควรสะสะสะแสวงหาธรรมเข้าสู่จิตใจด้วยควรจะหาธรรมเข้าสู่ธรรมะคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเข้ามาสู่จิตใจด้วยมันจึงจะถูกนะคนัฏฐายาจูมลูกหลานนะไม่ใช่จะวิ่งว่าวุ่นว่าวุ่นออกไปข้างนอกอจนไม่มีจนไม่ได้มองตอนเองเลยเ มีแต่ตื่นขึ้นมาก็มีแต่เรื่องเงินเงินเงินเงินเนี่ยอย่างเดียวแต่ใช่เงินมันก็ถูกแล้วล่ะเป็นเครื่องเลียงชีพนะเออเราก็ไม่ได้ปฏิเส ธ, ธ, ธ, ธว่ามันไม่ดีมันก็ดีอยู่มันดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามีแต่เงินเงินอย่างเดียวถูกต้องไหมถ้าว่าทางโลกเขาก็วัดถูกต้องเพราะมันคนเกตเดียวกันคนอยู่ในระนาบเดียวกันเขาก็วัดถูกต้องอดีที่สุดแต่ถ้าว่า มาพูดตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาเปรียบเทียบกับธรรมคำสอนถ้าจะาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกเราก็เกิดไม่ทันใช่ไหมละ่ะเราก็เลยเปรียบเทียบกับพระธรรมคำสอนของท่านที่ท่านวางเอาไว้ท่านให้คิดอย่างไรสําหรับมนุษย์พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาทั้งทีชีวิตนะการแ ส, สวงหาทรัพย์ก็จําเป็น ไม่ใช่ว่าจาเป็นจะ ส, ะสะว่างหาทรัพย์นะอย่างเดียวนะควร ส, ะสะแสวงหาคุณธรรมเข้าสู่จิตใจด้วยคุณธรรมเข้าสู่จิตใจโดยมากโลกทั้งโลกเขาไม่ได้คิดนะเรื่องคุณธรรมเพอเผอยังคิดปลามาว่าตายแล้วศูนอีกต่างหากตายแล้วไม่เกิดอีกต่างหากตายแล้วดับไปเลยอีกต่างหากถ้าว่าตายแล้วดับไปเลย ก็การสร้างคุณงามความดีก็ไม่จําเป็นเพราะเหตุไรเพราะว่าคิดว่ามันดับไปแล้วนะจะไม่มีอะไระแต่ในหลักของพุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าตายแล้วเกิดอีกแน่นอนนี่แหละอันนี้จุดนี้เป็นจุดที่พวกเราจะต้องศึกษาเนี่ยศึกษาในหลักธรรมคาสอนเพราะว่าพระพุท ธ, ธเจ้าพระหรหัสสาวกเนี่ยเรารักเคารพนับถือเลื่อมใส เมื่อพระธรรมคำสอนของท่านตรัสออกมาอย่างไรแนะนำสั่งสอนอย่างไรพวกเราก็นามาคิดมานามาคิดนามาวิเคราะห์การกลองไตรต้ตองด้วยเหตุและผลจากนั้นก็นำมาประพฤติธปฏิบัติดูซิเป็นยังไงจริงไหมเพราะหลักเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เทวดาอินพรหมไม่ใช่พระเจ้ามาจากฝากฟ้าที่ไหนพระพุทธเจ้าของเราเป็นกษัตริย์ เป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงกรุงกบิลพัทนะตอนท่านออกบวชท่านอายุออกบวชเมื่ออายุเท่าไหร่29ปีในเมื่อท่านออกบวชท่านไปทํำยังไงมีประวัติให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาทั้งหมดจากนั้นไปค้นคว้าคน้คนคว้าเรื่องอะไรกค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณแต่ไม่ได้ค้นคว้าเรื่องเรื่องร่างกายนะไม่ใช่ว่าท่านไปเราจะรักษา โรคหูยังไงโรคตายังไงโรคจมูกโรคดิ้นโรคผิวหนังโรค ก, กระดูกยังไงท่านไม่ได้เป็นค้นคว้าในการรักษาโรคในร่างกายนะท่านเข้าไปศึกษาตัวนมามธรรมตัวแนวความคิดความคิดปุ่งฟุ้งความนึกคิดในจิตใจใจตรงนี้ทำไมบางทีมันโกรธโมโหขึ้นมาแต่บางครั้งมันเกิดความรักห่วงหาอะไร กิเลสตันหาราคาอรดีนางราคะนางตันหานนางอรดีเข้ามามาครองจิตใจจิตใจก็เยิมเป็นด้วยกิเลสราคานะแต่พอกิเลสโทสะไม่พอใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาชนขึ้นมาเป็นโมโหขึ้นมาอันนี้แนละแล้วก็โมหะคือความหลงหลงคิดว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละความหลงในใจิตใจแต่นี้พระองค์ไปศึกษาจุดนี้ล่ ท่านไม่ได้ศึกษาไปไปไปเพื่อดูแลรักษาแก้โรคภัยไข้เจ็บ เ, เลี้ยงอาหงอาหารวิชาศาสตร์อาวุธ เ, เรื่องวิทย์คณิตอะไรพระองค์ไม่ได้ไปเรียนนะไม่ได้ค้นคว้านะไปค้นคว้าเรื่องจิตตวิญญาณคือแนวความคิดคิดอะไร เ, เป็นยังไงตัวกิเลสมันคิดยังไง มันคือกิเลสราคะโทสะโมหะมันออกมาจากไหนมันคิดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยแหละแต่นีนพระองค์ไปค้นคว้าศึกษาทีแรกไปค้นคว้าเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะจากนั้นพระองค์ได้นั่งสมาธินั่งสมาธิที่โครนต้นโพวันเดินหกพผ่นนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรงจากนั้นกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออก พระไทยใจของพระองค์จึงรวมสงบลงเป็นหนึ่งอพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งนะพระองค์จึงรู้ได้ว่าอืนี่คือใจคือตัวนมามธรรมเลยถ้ า, าไปคิดปรุงฟุ้งอย่างอื่นหาไม่เจอแน่ๆอจะไปทํำยังไงก็หาไม่เจอนอกจากที่จะทําสมาธิกําหนดให้ใจเป็นหนึ่งเท่านั้นกําหนดที่ลมหายใจไม่ให้มันคิดไม่ให้คิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นเท่านั้น่จึงจะเห็นได้รู้ได้ว่าใจของเราคืออะไร นะจากนั้นพระ อ, องค์รู้ว่าใจของ อ, องค์นิ่คิดอะไรบางทีก็ไปทางกิเลสในคืนวันนั้นพญามารกบพร้อมกับเ ส, เสนามานพร้อมกับนางลูกสาวพญามารตันหานางตันหาราคะอรดีมาโยโยนพญามารก็มาแย่งบัลลังพระ อ, องค์ก็ใช้ตปรธรรมคือขันติธรรม วิริยะธรรมแล้วก็ปัญญ า, าการกรองไตรตองจากนั้นเอาชนะกิเลสภายใน พ, พระภายของพระองค์ได้ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือการไปศึกษาวิเคราะห์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านนะให้พูกวิเคราะห์จุดนี้นะวิเคราะห์จุดที่ใจนะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมด ในหลักธรรมของพุทธศาสนาท่านมยกเป็นพุทธภาสีว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจมโนปุพังก็มาธรรมาเป็นภาษาบาลีนะนี่แหละขอให้พวกเราทุกทุกท่านนี่แหละวิธีการค้นคว้าศึกษานะแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติถ้านําบาปประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะรู้ได้เห็นได้ว่าร่างกายกับใจใจกับกาย หลวงพ่อพูดไปไหนหลวงพ่อก็บอกว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถนัลูกหลานคณะสัตายาญาติโยมนะแต่พอพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องโซเฟอร์คนขับรถนะอันนี้สําคัญคนที่คนขับรถเนี่ยรถคันนี้จะไปดีจะไปเร็วจะออกนอกลู่นอกทางจะเป็นนักเลงหัวไม้เขาจับไม่ได้เดี๋ยใจใจเขาจับไม่ได้เขาไม่ได้ไไดจับใจเข้าคุกนะเขาจับร่างกายเข้าคุก เขาจับรถเข้าคุกนะอืมแต่ทุกวันเนี่ยเขาจับโซเฟอร์เข้าคุกนะอแต่เขาไม่ได้จับรถนะเพราะรถเนี่ยรถที่มันจะไปชนคนเนอะเพราะโซเฟอร์ขับนะโซเฟอร์ขับเขาก็เลยเห็นโซเฟอร์เขาจับโซเฟอร์อแต่ว่าหลักธรรมคาสอนของร่างกายเป็น ร, ป ร, รูประทับเขาเห็นได้นะแต่จิตใจคือนามธรรมเขามองมาเห็นไม่ได้ในตัวมันละเอียดกว่านะ เพราะนั้นร่างกายของเราไปตีหัวเขานะ่ะเขาก็จับร ถ, บรถนะ่ะจับรถขัง่ะออแต่ที่มาจับรถขังโซเฟอร์ก็อยู่ในนั้นลน่ะทีนอ้อยู่ในอยู่ในอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในรถนะอยู่ในไปไม่ได้เนะมื่อจับเขาจับโซเมื่อจับรถไปขังนละ่วนะไปขโมยไปป้นไปจี้ไปอะไรเพราะเพราะอะไรจึงไปทําอย่างนั้น ก็เพราะว่าใจเนี่ยใจเป็นผู้พาคิดซะก่อนจึงค่อยไปทำในเมื่อไปทำขึ้นมาเลเออเขาก็มองไม่เห็นใจนะเขามองเห็นแต่ร่างกายทำไมจึงไปทำอย่างนั้นเขาก็จับคนเข้าคุกเข้าตารางนี่นะสรุปแล้วคือคือใจกับไปทุกไปทุกอยู่ในนั้นแหละไปคุกไปทุกอยู่ในคุกในตารางนะเออกูทำไมทำวะที่ไหนได้มันสายเกินไปเสียแล้วนะมีแต่ทุก ทมอยู่ในจิตใจท่า น, นเองนั่นแนหะขอให้พวกเราทุกๆท่านนะหลักของพุทธศาสนาเนะี่ยท่านเน้นเรื่องของใจคือมโนโปูกพันตัวผู้รู้ผู้นึกผู้คิดนะนะั่นแหะถ้าเรานั่งสมาธิเราจะเห็นได้บอกความดีความชั่วที่มันเกิดขึ้นมาในจิตใจของเรานะ่ยถ้าเราอยู่ธรรมดาแล้วมันจะมองไม่เห็นนะจะทายาทโยมลูกหลานนะเพราะฉะนั้นท่านจึงให้นั่งสมาธินะนี่หละหลักทำคําสอนของพระพุทธศาสนา หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแนละท่านให้นั่งสมาธินะเมื่อจิตใจสงบลงไปแล้วนะจะมองเหตุได้ในแนวความคิดในการกระทาของตนเองคิด เ, เราคิดเนี่ยคิดดีเมื่อทาออกไปก็ทำดีเมื่อพูดออกไปก็พูดดีถ้าเราคิดโมโหขึ้นมาแล้วนะคิดเป็นอ ก, กุศลเมื่อการกระทาออกไปก็เป็นบาป เป็นทางราคะบั่งเป็นทางโทสะบั่งเป็นทางโมหะบั่งเวลาเราโพดออกไปก็เป็นราคะาบั่งโทสะบั่งโมหะบั่งราคะโทสะเป็นยังไงเวลาราคะเนี่ยมันจิตใจคิดเป็นราคะโพดออกไปมีตะหวานเยมเอมโพดเกี่ยวพาลาสีอะไรอะไรลักษณะอย่างนั้นแต่หลวงพ่อมันก็ไม่เคยหรอกเพราะหลวงพ่อเป็นพระใช่ แต่พวกเราน่งคงจะเคย น, นั่นแหละไปว่กกิเลสออกไปทางราคานะถ้ากิเลสออกไปโทสะล่ะเปลาไปเห็นคอเห็นคู่เห็นคนเห็นสิ่งที่ไม่พอใจโมโหชุดอันนี้เราว่ากิเลสโทสะนะแต่ว่ากิเลสโมหาล่ะกิเลสโมหาเนี่ยมันหลงอยู่ในใจซะก่อนนะมันพอมันหลงแล้วขึ้นมาแล้วมันจึงเปลี่ยนเป็นราคะมันจึงเป็นโทสะนะ นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านมองไปตัวโมหะนี่แหละเป็นตัวสําคัญยิ่งเป็นตัวอวิชชาเป็นปัจจัยซะก่อนให้เกิดราคะเป็นให้เกิดโทสะขึ้นมาเป็นปัจจัยเป็นเป็นต้นอวิชชาเนี่ยเป็นกอไก่เขว่าได้นะแล้วเป็นเลขหนึ่งเขาว่าได้เป็น A อเลยก็ได้เป็นเป็นหนึ่งเป็นเลขที่หนึ่ง อวิชชาอวิชชาปัจจยาสร้างฆ่ารา น, นี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษานะทีน่นีนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะหลวงพ่อพูดแต่ละวันหลวงพ่อพูดแต่ละวี่ละวันนะก็ไม่หนีจากคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมศีลห้าศีลแปดศีลอุโบสถทาวิ น, ยนัยศีลสมาธิปัญญาเ น, นี่แหละ มันกัวงวลวกวนเวียนอยู่ในแถวนี่แต่ว่าจะเอาเหลี่ยมไหนมาพูดให้คณะชรราติญาติโยมทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่ละวันท่านเองแต่มันไม่มากนะแต่ต้นตอมันใหญ่มากนะอมันต้นตอมันใหญ่มากกวิชาญคําเดียวเท่านั้นไงมาการล้วว่าบรรยายของ พ, พระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธคุณอิติปิโสพระควาเท่านั้นแหะอันนี้ก็มากมหาศาลเหมือนกัน คูณของพระพุทธเจ้าน ะ, ะเพราะฉนั้นถ้าเราจะบรรยายบรรยายจุดไหนอย่างไรให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่ละวีแต่ละวันน ะ, ะวันนี้หลวงพ่อก็ให้แนวนะความคิดแนวหนึ่งสําหรับเรื่องจิตภาวนาเรื่องกายกับใจ ใ, ใจกับกายที่พระพุทธเจ้าได้บําเพ็ญเอาชนะกิเลสราคะโทสะโภโมหะอย่างไรในวันเดือนหกเพต น, นั้นนะต่ อ, ตอ น, นื่ไปพระสงฆ์อนโมทนาให้พอในะต้นีนะ